Uh huh. สวัสดีวันนี้หลวงพ่อก็อยู่ที่แอดมันตันเมืองแคนาดาแอดมันตันเนี่ยเขาเรียกว่าจังหวัดแอมเบอร์ตาแอมเบอร์ตาเนี่ยมันจะเป็นเมืองน้ำมันน้ามันมากที่สุดเรียกว่าขุดอีกคงจะเป็นร่วมร้อยปี มันมากจริงๆอยู่ที่เนี่วัดป่าวัดป่าของหลวงพ่อมีวัดป่า <c oughs> เจนะพฤกษารามแถวแถวรอบวัดป่านั่นนะมีแต่น้ำมันคนขุดรอบเลยก็แสดงว่าน้ำมันมีเยอะจริงๆก็เลยกลายเป็นจังหวัดเศรษฐกิจ ของประเทศแคนาดาก็มาอยู่ที่นี่ก็มีความสุสขสบายแล้วก็ได้มีโอกาสสอนสมาธิให้กับฝรั่งถือว่าได้มาทำประโยชน์ให้แก่สาธารณชนไม่ใช่น้อยอย่างไรก็ตามวันนี้ก็คงมีธรรมะมาฝากท่านทั้งหลายด้วยการที่ เรียกว่าสันโดษคือว่าสันโดษนี่เคยได้อธิบายมาแล้วแต่ก็ขออธิบายซ้ำเติมลงไปอีกว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงแนะนำในเรื่องสันโดษก็เพราะว่าต้องการให้บุคคลทั้งหลายเนี่ยพากันอยู่ด้วยกันด้วยความสุขสบายสันโดษคือหมายความว่า เรามีอย่างไรเราก็ยินดีตามที่ว่าเรามีมีชีวิตพออยู่ได้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งหรือว่าไม่ทําการโลภในหนทางที่ผิดการทําความโลภในหนทางที่ผิดนั่นไม่ใช่สันโดษในทางที่ผิดก็คือการคดโกงหรือว่าการหลอกลวงหรือว่าการเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม อะไรอย่างนี้จึงอยู่ในการที่ว่าไม่สันโดษการสันโดษนั้นก็คือแม้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยประการใดเราก็ถือว่า เ, เป็นบุญที่เราทำมาเพียงแค่นี้เราก็ยอมรับว่าเราได้ทำมาเพียงแค่นี้เมื่อเราเ อ, อ, อยู่ได้เพียงแค่นี้ แล้วเราก็ปฏิบัติศีลธรรมคำว่าศีลธรรมนั้นศีลก็มีห้าประการคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยของคนอื่นไม่ประพฤติ ข, ข่มขืนอนณาจารย์ไม่โกหกหลอกลวงไม่กินเหล้าเมาสุลาอันนี้ก็เรียกว่าศีลห้าธรรมนั้นได้แก่เมตตาธรรมคนเราอยู่ด้วยกันมากๆมันก็ต้องมี เอ่เมตตาต่อกันละกันบางคนก็มีฐานะดีกว่าบางคนก็มีฐานะด้อยกว่าอย่างนี้เราก็มีการเฉลี่ยเชือ่อใจสงเคราะห์ซึ่งกันละกันอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าเมตตาธรรมเมื่อมีเมตตาแล้วก็มีความกตัญญูกะตะเวทีรู้จักคุณของท่านผู้มีคุณ ท่านผู้มีคุณก็คือบิดามันดาครูบาอาจารย์และเพื่อนทั้งหลายที่ได้ช่วยสงเคราะห์เราเรียกว่าท่านผู้ที่ท่านผู้มีบุญคุณต่อเราเมื่อเราได้รับสิ่งต่างๆแล้วเราก็ไม่ลืมบุญคุณนั้นมีการตอบแทนก็ถือว่าเป็นบุคคลดีที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ในมิตังสาธรูปานังกตันดูกตเวทิตาคนที่รู้จักบุญคุณของบิาดามารดาหรือครูบาอาจารย์หรือท่านผู้มีคุณทั้งหลายเหล่านั้นถือว่าเป็นคนดีตรงกันข้ามผู้ที่ไม่รู้จักบุญคุณของท่านเหล่านั้นถือว่าเป็นคนไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ตกอยู่ในการสันโดษเพราะว่า ผู้ที่สันโดษนั้นจะไม่มีการเดือดร้อนมีปกติไม่มีการที่จะทาอะไรให้มันเกินแก่แก่ตัวของตนเองที่จะพึงกระทาได้คนเรานั้นเกิดมาก็ไม่เหมือนกันล่ะบางทีก็ยากจนบางทีก็มั่งมีอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะไปเลือกเกิดได้ เราจะไปเลือกเกิดในคนที่ในตระกูลมัมมีสีสกเราอยากจะไปเกิดอย่างนั้นเราไม่อยากไปเกิดตระกูลในที่ยากจนนั่นมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นไปตามกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากรมมุนาวัตติโลกโกสัตว์ทั้งหลายเน่ก็จะต้องเป็นไปเพราะกรรมเพราะฉะนั้นเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข เราก็จะต้องยินดีในฐานะของตนที่มีอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะได้รู้ว่าบุญกรรมเนี่ยเป็นของที่มีจริงเพราะพระพุทธเจ้ายังตรัสว่ายานิสังระเจพีชังตาดิสังระเศพลังเมื่อบุคคลหวานพืชเช่นใดพืชเช่นนั้นย่อมจะต้องเกิดแก่เขา หวานพืชจังโมก็เป็นจังโมวหวานพืชจางไทยก็เป็นจางไทยหวานพืชต้นง้อต้นทุเรียนก็เป็นต้นง้อต้นทุเรียนที่เป็นเช่นนี้บุญก็คือเป็นสิ่งที่ทําบุคคลให้เกิดความสุขบาปก็คือทําบุคคลให้เกิดมีความทุกข์ในแต่ละชาติแต่ละภพเมื่อเรารู้จักว่ามันเป็นบุญเป็นกรรมเช่นนี้แล้ว เราก็ต้องยอมรับในเมื่อเราได้ทำมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะต้องเป็นผู้ไม่ประมาทจะขวนขวายเพื่อที่จะหาบุญกุศลที่ท่านเรียกว่าบุญกุศลเนี่ยผลับดันให้เราไปเกิดเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติ นะการที่จะไปเกิดเช่นนั้นได้ก็เพราะเขาสร้างบุญบรารมีเช่นอย่างพี่น้องสองคนที่เขาไปปลูกอ้อยอยู่ในปา่าอ้อยสมัยนั้นไม่จําเป็นต้องเหีบตัดคนแล้วก็ตัดปลายน้ําก็ไหลออกมาทีนี้เป็นพี่น้องสองคนน้องไปเทสวนแล้วก็ถือเอาอ้อยมาสองลำ ตัวลำหนึ่งเพื่อตัวลำหนึ่งแล้วเพื่อพี่ลำหนึ่งมากลางทางก็เจอพระประเจกกระโพตก็มีศรัทธาน้อมถวายพระประเจกกระโปดลำของตนแล้วก็มาคิดว่านานๆเราจะเผอพระสักเที่ยงน้องก็เลยคิดว่าควรที่จะให้พี่ได้บุญด้วยก็เลยถวายอ้อยลำที่เป็นของพี่นั้นให้แก่พระประเจก เสร็จแล้วน้องก็กลับคืนไปถึงบ้านก็ไปบอกพี่บอกพี่ก็อธิษฐานเอานะฉันเนี่ยอธิษฐานว่าขอให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพนานสมบัติแต่พี่นั้นก็ไม่ต้องการเขบอกว่าข้าพเจ้าขอเห็นธรรมที่พระผู้เป็นเจ้าเห็นแล้วต้องการอยากจะพ้นทุกข์เร็วๆต่อไปทั้งสองพี่น้องก็ได้ตายไปแล้วก็ ฝ่ายพี่ก็ได้ไปพบพระพุทธเจ้าทรงพระนาว่าว ก, กัสสปะปฏิบัติแล้วก็ได้สําเร็จพระอรหันต์แต่ส่วนนอ่งนั้นอธิษฐานว่ามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเขาก็เลยได้ไปเกิดเป็นเศรษฐีแล้ว ก, ก็ได้สร้างวัดถวายให้พระพุทธเจ้าทรงพระนาว่าว ก, กัสสปะ มันสวายกุติสร้างเสร็จแล้วสวายตะลาสร้างเสร็จแล้วก็มีการฉลองวันฉลองเศรษฐีก็เอาทับทิมเม็ดเท่าลูกผลส้มไปติดกันแท้ซึ่งราคานับไม่ถ้วนแต่ทีนี้ก็มีจอนคนหนึ่งมันคิดว่ามันจะขโมยเอาทับทิมเม็ดนั้นมันก็แปลงกายบวชเป็น บวชเป็นตาพระขาวแล้วก็ไปนั่งอยู่ใกล้ๆกันเทศเมื่อเวลาที่พระพุทธเจ้าเทศมันก็เอื้อมือที่จะไปเก็บเอาไปขโมยเอาทัพเทมเม็ดนั้นพระพุทธเจ้าเห็นเขาก็ถามเศรษฐีว่าเศรษฐีเออคิดว่ายังไงยังหวงอยู่ไหมเศรษฐีก็บอกว่าไม่หวงไม่หวงก็สละให้มันไปเถอะ มันก็เลยเก็บเอาเม็ดเพชร เ, เม็ดนั้นไปทับทิมเศรษฐีนั้นเกิดมาอีกชาตหนึ่งต่อมาจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าของเราก็ได้มาเกิดเป็นชดติยะเศรษฐีมีทรัพย์นับไม่ถ้วนมีเงินมีทองมีแก้วรัตนมงคลเยอะแยะเยียกว่าเป็นมหาเศรษฐีใหญ่อยู่มาวันหนึ่งท่านก็ได้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้า เมื่อได้ฟังเทศจบแล้วท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ก็เป็นอันว่าท่านได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติในพานสมบัติสมควาปรารถนานี่ก็เรียกว่าบุญบุญกุศลเนี่ย เ, เป็นทีเ่เป็นเรื่องที่เป็นของจริงที่พวกเราทั้งหลายควรจะมีศรัทธาความเชือ่อความเรื่อมใสศักระทาตามความสามารถของตอนจะพึงกระทําได้ สวัสด so ีสาธุ